พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบดลำดับที่23สาโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่8กันยายน 2,556 หมีชื่อเรื่องว่าพยุงสังคมช่วยกันพุ่งนี้ หลวงพ่อจะได้ไปออกไปฉันข้างนอกวิทยาลัยพยาบาลอุดอรอันนี้ก็เขาเข้ามามาหาหลวงพ่อที่เขาดูแลอุปถรัรมภะถักหลวงตานั่นแหละหลวงตาโคงสุดท้ายเป็นบุรุษพยาบาลเข้ามาหาหลวงพ่อที่มนหลวงพ่อไปเป็นประธานเกี่ยวกับ ทอดผ้าป่าสามกีเพื่อหารถให้พยาบาลนะพอวิทยาลัยพยาบาลเนี่ยยังไม่มีรถสร้างมาหลายเป็นเกือบ10ปีแล้วตีนี้พยาบาลมาเรียนทยอยกันมาบางคนก็มีรถบางคนก็ไม่มีรถไอ้คนที่ไม่มีรถเวลามาก็ไม่ทัน ไม่ทันโรงเรียนอาจจะอยากจะได้รถสักคันหนึ่งเพื่อวิ่งรับพยาบาลมาคออยู่ข้างถนนวิ่งรับวิ่งรับวิ่งรับออก็จะดีมาขอกหลวง พ, องพอ่อหลวงพ่อเกือบเกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนลูกหลานเออเอาหลวงพ่อจะไปเป็นประธานให้จะเอารถ อยากจะได้รถหนึ่งคันราคาเท่าไหรราคาห้าล้านยนะรถบัสไม่ใช่ธรรมดาแล้วรถบัสราคาห้าล้านหลวงพ่อคืออ้างนี่แหละวันพรุ่งนี้ต่จะได้ไปฉันแล้วก็จะได้จะได้กี่ล้านก็ไม่รู้ะ แ, แต่ผู้ประสานงานทางกรุงเทพคันหนึ่งมันพอไม่หรอหลวงพ่อพังว่าอีกแล้วทีนี้ อจะไปหาบอกยายเอ า, าในขั้นหนึ่งก็พ่อแล้วและจะไปหาอีกขั้นหนึ่งมันพ่อบัลลงพ่ออย่ขั้นให้พ่อมันกับบพ่อแล้วประกัรได้อีกสักได้สักสองขั้นหรือสามขั้นมาตามความตรงการข็าเจ้าแต่ตามอีกสักสองขั้นน่แต่ขั้นหนึงเเออพ่อประทังนักศึกษาตั้งสองร่อยกว่าขั้นหนึ่งมันก็บบอพ่อแหลววะ ขั้น่ยางมากาได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิพลอยางยัดกับยางแน่นเนี่แหละ ว, วันเออเ น, นี่ยเขากคงจะไปชาสัมพันธ์ทางกรุงเทพนะมัง่งมันจะหาทุนให้ปิทยาลัยพยาบาลอุดรธานีเนี่ยสาธารณประโยชน์หลวงพอบนในม่องขามศรัทธ า, ญญาตยาโงลูกลา น, นีน่ถึงยากลาบากหลวงพอ่ออเอาไปแล้วก็ โรงเรียนอุดรพิชยัออชยรักกิจอุดรพิชัยรักกิจอยากจะได้โดมโดมสําหรับนักเรียนเขามาคิดทํากิจกรรมหรือว่าทำไอ้อย่างกวายคู่กิจกรรมอ้ยยยอย่างหลายๆอย่างเดี๋ยวนี่มันบะมีโดมหรืบอบะมี่าลาที่จะให้นักเรียน ผักหลวงพอว่อเวลาแดดกันแดดโวดเวลาฝนตกก็ตกอยากจะได้โดมสักหลังนึงกิจจดเป็นผาป่าหลวงพ่อพี่นาวเนะี่อมันก็เกิดประโยชน์สำหรับลูกหลานอีกเอาเท่าไหร่ล่ะทีแรกก็อยากจะได้สักสองานหาอย่า น, นละสองหานหาก็จะได้เป็นช่วงกลางสะกก่อนาหลั ย, ยังคอยต่อหัวต่อท้ายอีก งบละประมาณแปดล้านแปดสันไหนโอ้โหแปดล้านแปดผมนึน่าไนะปนกก่เอออ๋อไหลวงพ่อเป็นประธานเหยเอา้าในช่วงเนี่หลวงพอ่อช่วเจ้าพ่อขายใด้ก็ขายเพื่อสาธารณลุงพ่อก็บพว่าด อ, อกขั้นว่าขายเป็นชวนตัวเอออะไรบะไรอะไรถ้าขายเพื่อลูกเพื่อล้านเพื่อสาธารณประโยชน์เนี่ยเพื่อโรงเลี้ยง เ, เพื่อล่งพยาบาลมอเครื่องมือแพทย์ หลวงพ่อก็เออพอหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะเด็ดพอเป็นพระปูรย์ปุรหนึง่งพอเป็นข้นกลุ่มไรกลุ่มหนึง่งบอเป็นพระของบุคคลใรบุคคลหนึง่งเป็นพระสาธารณะนะแต่เมื่อสาธารณะเกิดขึ้นน่ะหลวงพ่อก็ต้องขาไปช่วยเขาคงจะเห็นข้าวหนึ่งมัง้งที่หลวงพ่อไปทอดผาปลาให้โรงพยาบาลกลุ่มภระวาปีนะ่ง หลงพ่อไปเห็นตึกสร้างมาได้สี่ปีแล้วขึ้นไปเบิงชั้นเทิงเลยห้องผพาตัดแล้วก็ห้องพิเศษแล้วก็ห้องไอซูโอ้ยว่างจางปางพราะปัญญายุาง่งๆไปมามีอย่างนี่นนแล้วหลงพ่อมาเบิง่งเอาเห็นเลยโ อ, ยโอย้ตายสร้างมาสี่ปีตะเครื่องไม่กังวมกังบวไรหลวงพ่อเหี้ยจังเลยเอาเถะจให้หลงพอ่เอเป็นประธานะ ในการทอดผ่าปลาหลวงพ่อือเอา้าลองลองเบิ้งไปวันหนึ่เขาคืขึ้นไปอยู่ในเมืองอุดอรเนีเห็นะแต่หลวงพ่ออินมัดเทเอทลายอยู่ลูกหลานเคยสังเกตบก่ <c oughs> เออผ่าป่ากลุมพรวาปีโรงพยาบาล น, นี่แหละหลวงพ่อเอา้าพรามเป็นโรงพยาบาลเลยเขาบอกว่าโรงพยาบาลกลุ่มพรวาปีทาหาว่าเครื่องมือมีขึ้นมาเนะะี่ยก็จะเป็นเครื่อง พยุงแล้วกต็ตุนสําหรับโรงพยาบาลศรีธาตวังสามหมอโนนสะอาดนยจะเข้ามาหนี่สะก้อนเข้ามาโ่วงพยาบาลกลุ่มเพราะว่าปีสะก้อนขั้นบนนักหนาเข้ามาหนี่ก้อนบาหานักหนาจะค่อยส่งเขา้าโรงพยาบาลศูนย์อุดรแต่เดี๋ยวนี้คอลอแคลแรับกับเย็บแขลเรือมเนื่องกับเออไอย่างหมด ตาน้อยตอยตัวนึงกันแลนเขารงพยาบาลศูนย์อุดรคนหนึ่งบาดเนี่มันร้อ น, นแน่นดต็มเลยแตงซีหาหกพันคนแต่ละมือนลยก็น่าจะไม่รงพยาบาลรองรับเครื่องมือคู่ขี่กันใกล้เคียงกัน น, น่าจะมีโรงพยาบาลกลุ่มพระวารีหลวงพ่อเออเห็นด้วยนอนนั้นเขลงอ้าวทอดป้าป้าอาจารย์จอมจักธรรมศักดิ์มา ที่เป็นเคยเป็นสำนักพุทธก้อเปิดมาเป็นประธานนก็ผู้ว่วาราชการเมื่อ อ, ดอุดรรผู้ล่องผู้ว่าผู้ว่าลายคนเหมือนทั้งสงฆ์เนเาก็จัดให้ลูกพ่อเป็นประธานไฟสงฆ์หาทุนโอ้พี่น้องให้ความสนใจใส่ใจย่างมากบิณฑบาตมาน่ยโอ้คนเยอะพอเตรียมตัวทอดผ้า ป, ป่าก็ได้เงินทั้งมัดยอดผ้า ป, ป่ามอนอันด สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนมนะันนะ น, ลนลูกหลานไงนั่นแหละลูกหลานคงจะเห็นตรงนั้นมัน้งเขาก็เห็นมา่าโอ้ขายลงพวีนนี่พวกขายออกเยอะเต้ขจาาเดือนวัวนผะู้ใดก็ได้เอาลงพวีนไปขายบ้านไนอะขายข้านั้นได้สามสิบเอ็ดล้านพอ่อเรานะี่ไปจะได้ใจเงินอยู่ประมาณยี่สิบหกล้านทั้งโลกพิบัานเดนีอก็ได้ต่ออาคารขึ้นมาอีกต่อเป็นตึกสงอีกสองห้องเพื่อเพื่อจะได้ ใช่สำหรับตึกสงฆ์โรงพยาบาลกลุ่มพระวารีนี่แหละหลวงพ่อไปเห็นแล้วเออพอใจภูมิใจนุ่ อ, อในพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่มีจิตใจเป็นกุศลโดยจยช่วยกันสาธารณประโยชน์ขั้นที่ค่อยแต่รัฐบาลเที่ยงไรมาลุ่มมาตุ่มมาลุ่มคนตุ่มเดี๋ยวก็เขา่าเดี๋ยวก็ยางอยูอย่เลย มันจะมาเหลียวหอดเท่ามันเหลียวบ่หอดเราลงไปกันพวกเข้าไปซอยกันเราเป็นตะซอยอยังกับเอาซอยกันคนละไหม่คนละมือพอขาไปใชาชนคนในทิ้นเท่าก็ราะสีซอยยังหล่อยเอ้าตั้งฟัดว่าศาสนาตลงพ่อก็ซอยเข้าไปแต่มีรศรัทธาหยาดมผู้หนึ่งได้แต่ตามไม่จริงพ่อได้เงียหนึ่งสี่พอนก็พ่อใจมาจากกรุงเทพพอนี่บินมาแล้วไง กนประมาณจากอายุจากประมาณจากสี่สิบเนี่ยนะเป็นน่มแล้วพ อ, อยางข้านเขาบ้านเนาะเป็นเงาบ้าถวายเช็คไว้หนงงอเอาไปผมเขาถวายเช็คร่วมซื้อเครื่องมือแพทย์ครับหลวงพ่อครับแต่ไม่ต้องประกาศหรอกครับผมถวายเฮ้าของบอลนึก อ, อื่นไปจริงๆแล้วว่ า, าวบ่าห้าแล้วก็จ้าไปแล้วฮัก็เล่นเปิดโปรงปาโทมาเป็นเงิเนน่อยตัวนึ่งเงินทางล่า น, นึงตัวเนึ่งเช็คไปนี่วะ่ะ เออหลวงพ่อเอ้ยมีเท ว, วดาเนี่ยนเช็คมาให้จิตใจเป็นกุศลจิตใจสูงทรงเห็นสาธารณประโยชน์ไอ้ซอยเครื่องมือแพทย์ไอ้กับโรงพยาบาลกลุ่มพ่อว่าปีหลวงพ่อเห็นเช็คใบนี้โอ้ราค่าเป็นล้านนะหลูกล้านแนะ่แล้วก็ บ, บอกไอ้บ้ตองประกาศซื้อของผมหรอกบอตองบอตองประกาศนี่แหละ หลวงพ่อพอประกาศแต่หลวงพ่อบอกให้าูโหวะเนี่ยเทวดาเอาเช็คมาถวายหลวงพ่อเนื่องล้านบาททะลุล้านได้เว้ยเออเนี่ยแหละดูดูแล้วก็บผู้มีศรัทธ า, าใใ เ, าเาาปเออ็นก็มีอยู่ในจิตในใจแต่สิเฮ็ดจังได้เมื่อสิ่ถูกต้องเฮ็ดจังได้เมื่อสิ่ถูกจึดตัวลกไปแองผู้มีใจยังสั่นก็มีอยู่เลยพอมีอันจะกินอยุ่แต่ว่าเหตุจังไดเมื่อบริจาค ม, ม่งใดเมา่สิ่ถึ ง, ถ, งถึงมือประชาชน ถึงพี่น้องลูกหลานที่แท้จริงเนะนี่แหละอันนี้ผู้ถือมีจองสี่ก็มีอยู่แต่ว่าบางคนมันก็เออเอาจับหนาชนหลังไปเออเดียวกันแบบนึงกระบอว่ากันแต่ผู้มีฐานะพอเป็นพี่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมได้อยู่ก็ควรจะช่วยเหลือชุมชนสังคมลงพ่อไปเบาอยู่ใสใ่ขึ้นกันนะี่ยลงพ่อเออพี่น้องลูกหลาน วิชาอาชีพทุกอาชีพตั้งแต่อาชีพทำหน้าไปละเป็นต้นไปอาชีพทำหน้านี่ยที่แรกเหมือนกันนะก่อนจะเหตุหน้าได้นี่ยไถดินลงไปกับคขาขกิจลักคากิจเดือนขากบขาเกียดเจียบยาไปเลยจัดตายก็าบอกไม่หน่อยขึ้นกันต่อมากขึนง่วงไข้ใส่แรงง่วงไข้ไถหน้าอีก ตุ้มือห่ือกบได้ไทยไมีตลดแต่ถึงย่างไรก็ขาดกี่สะดกกี่สะดือนยืนในแผ่นดินก็บอแม่นหน่อยขึ้นกันอยากนามากก็ได้เขามากพราะถ้เขามากแล้วเฮ้าของวกวรจะทําบุญกุฏิส่วนกุศลต่อดวงวิญญาณต่อทรัพสัตว์ทางหลายที่เฮ้าได้เหยียบได้ย้ำได้มันมันตายกับทาการทางานของเฮ้า อาไปผูกเวทกันเนอพวกเข้ารด้สัตว์เนอร์อันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่พี่น้องประชาชลพวกไรอ้อยก็ตามพวกทํางานราชการพ่อค้าขายของช่ำาขายเครื่องมือแพทย์ขายแยงก็ตามขายรถมือสองก็ตามาโดยมากเงินที่ได้มาเนี่ยบำบันบริสุทธิ์พุทธพองทุกบาททุกสตางค์มั่นกระบอเป็นอย่างสัน่นคือกันเด้ ขีดเห็ดพวนู้พีนองลูกหลานอันนี้ลงพอว่าให้ฟังเงินที่ได้มากนะเพมานสิบริสุทธ์ทุกบาททุกสตางค์บางเท่ก็เบียดบางบังบางเท่ก็ขีดตัวเขามาก บ, บ, บ, บังกันออกไปตามไม่จริงนะทำมากหาขายมันก็ต้องตัว่ะเอะไปซึกไปข่าไปข่าไปตัวกันวันอันนี้คือกันขายของก็ของสีตัวเขาเออราคาตอนนี้ราคาที่จริงมันหาบาทเนยโอ้ยราคามันสิบาทจะข่อยซึกมากไปว่า วันนึงขายกี่ตัวเขาแล้วบาทนี้ยบาหาเขาก็ซื้อมากเอา่อยขายจะสิบสองบาท่อยซื้อมากขอขอจ้ะสองบาทที่แท้มาซื้อมาหาบาทจริงเพราะสิ่งของเรานั้นที่ได้เงินมากี่โบมันจิบริสุทธิ์ผุดพองมัดทุกบาททุกสตางค์เพราะนั่นถึงข้าวเฮ้งรื้มตาอาปากได้แล้วล่ําุ้ยขึ้นมาแล้วพ่อจิจืนด้วยลําแข็งตัวเองได้แล้ว ถึงขนาดนี้แล้วเฮาควรจะช่วยเหลือชุ่มชนสังคมได้บาทเนี่ยไหมเฮาควรจะมองเบิงสังคมชุ่มชนเออผู้ขาก็ได้เงินมากกับบริษุทธทุก บ, บาททุกสตางค์เนาถึงอย่างไดรก็ตามผู้ขายจะช่วยเหลือกลับไปช่วยเหลือชุมชนนนะขั้นทิ่ควักสตางค์ไอ้แจกให้เช่าบ้านร้านตลาดผู้ละหาผู้รับซื้อจึงสี่ก็คือจังจิตเขาก็ที่ว่าเป็นบาตรเออ่ผู้ขายจะช่วยสาธารณประโยชน์เนาะช่วยเครื่องมือแพทย์ช่วยลุงหล่อมช่วยลุงเลี้ยน สวยสาธารณะยังสื่อรถสื่อล่าอย่างที่เราไมีความจําเป็นต่อสาธารณะบอมเปนผู้นึงของผู้ใดไข่ผู้นึ่งเป็นของทุ ก, ทกคนผู้ผู้คาร์เนลเสียสะละทันนี้นหาบาทสิ บ, บาทยี่ส บ, บาทห้าสิบ ส, บ ส, สตางค์กว่ากันมีนําคิดนําใจช่วยกันสาธารณะประโยชน์หลวงพ่อว่ามันจะเป็นการล่างบาปของเฮาส่วนหนึ่งคือกันได้ แหมพอเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ยังที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเบานะี่ยนะอืมเพราะนั้นเขาให้พวกลูกหลานทุกขุทุกคนนะเบิง่งสาธารณะประโยชน์แต่พอแมนเ่อนสิไห้ทั้งมดพอแมนสิกอบกำมาจังมัดที่บอมีบอมองชุมชนสังคมจะเลยในชุมชนของเฮาจะเลยกับบ่อเธอยังที่องข้ามดนตรีเพิร์นบ่ากับนาฟังของเพิร์นเลย เพิ่นไปสร้างอาข่านเลี้ยนให้จังหวัดสกลนคร่ะ24ล้านกว่าเกือบ25ล้านเป็นเงื่นของเพิ่นเลยกับลูกของเพิ่นเพิ่นทาํามาค่าขายเพิ่นได้เงินมากเพิ่นกว่านี่ยที่ผมรู้จักวัดฟ้าศาสนารู้จักพ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้จักหลวงปู่ฟัดหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศ ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานเนี่ยที่นับถือเลื่อมใสแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วก็เชื่อมั่นในหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเป็นปรมาจารย์สอนครูบาอาจารย์ที่ผมรู้จักเนี่ยท่านอยู่ที่สกล น, นครที่วัดอําเภอพนนานิคมบ้านน้องผือแล้วก็ครูบาอาจารย์ของผมทั้งหมดเนี่ย ที่ผมเกิดชื่อถึงนอะ่ามีหลวงปู่คำดีหลวงปู่ชอบหลวงปู่ลุยหลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟันหลวงปู่เขาอ่าที่มาศึกษามาปฏิบัติมาบินทบาทที่สกล น, นครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอย่างไง้เต้องมาได้มาฉันข้าวพี่น้องลูกหลานชาวสกล น, นคร ได้เลี้ยงครูบาอาจารย์ที่ผมรักเคารพนับถือเลื่อมใสผมก็ได้ฟังทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอีกที่หนึง่งแต่ผมไม่ทันหลวงปู่มั่นแต่ผมทันลูกศิษย์ลูกหาท่านสอนแตล่ลูกครูบาอาจารย์เหล่านี้ก็ปิดทบฏฉันกับพี่น้องลูกหลานชาวสกลนครที่มากราบมาเยี่ยมหลวงปู่มั่นมาปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่นเพราะนั้นลูกหลาน ญาติพี่น้องของชาวสกลนครเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งที่พ่อแม่ของเขาได้ทาบุญกับครูบาอาจารย์ได้เลี้ยงดูครูบาอาจารย์ที่ผมรักเคารพนับถือเลื่อมใสเนี่ยเพราะนั้นผมมาช่วงนี้ผมมีอัจะกินผมก็จะช่วยเหลือสาธารณประโยชน์จะสร้างอาคารเรียนให้กับลูกหลานพี่น้องชาวสกลนครลูกหลานท่านเหล่านั้นละที่ท่าน ได้ดูแลพระสงฆ์มานั่นแหละมาตกถึงมาถึงลูกถึงหลานผมจะสร้างอาคารเรียนเพิ่งก็ได้สั่งอาคารเรีย น, นลยลคือว่าซีซันวันนี้ราคาถึงยี่สิบสี่ล้านกว่าเกือบยี่สิบผาล้านลูก ล, ล, ล้านหลวงพ่อได้ไปเปิดโอ้เห็นใหญ่โตอิ่งนั่นแหะสรุปแล้วก็คือผลําลึกถึงพระคุณเพราะนั่นการที่เอาพวกเข้าทั้งหลายทำบุญทําคุณ ส wow. ah ั่งคุณงามความดีไว้เนี่อมนุษย์พอเห็นเทวดาก็เห็นวันไปปู่เป็นมีหูทิพตาทิพปู่เป็นบัณฑิตนักปลัดเว้นไว้แต่ผ้าละชนกันผ้าละชนคนโงอเงาเตาตุนเห็นแต่โลภโกรธหลงราคะโทษสะโมหานี่ที่มอกพอเห็นคุณงามความดีมีแต่จะเห็นแต่สิ่งที่ไล้สาระไร้ประโยชน์อมีแต่อ เอาลัเอาเปรียบพีน่น้องประชาชนลูกหลานจะเห็นบุญคุณพี่น้องลูกหลานหาได้ยากแต่ผู้ผูพันมีปัญญาแล้วก็มีโทษทรัพย์พร้อมเพิ่มก็ม่องมองไกลมองเห็นพวกผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับพ่อแม่ผููบาอาจารย์กับพุ่าากงการพระพุทธศาสนาแค่นี้แหละอย่างที่พันบอกหลวงพ่อก็ฟังบ้างนะก็ออ น, น่าคิดนะ เพราะนั้นการที่จะช่วยสาธารณาประโยชน์ที่หลวงพอ่อบอกอีกบ้างนี่ก็เพรต้องนักใจแต่บีบอัดใส่ใจใเฉลยบะถูกแต่เกิดไปนักใจจนมากเกินไปก็ว่าน่าจะเป็นทังสัตว์แต่ว่าควรจะช่วยมหช่วยควรจะช่วยชุ่มชนสังคมควรปรยุกตเพราะส่วนหนึ่งเฮ้าเขามากเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเฮ้าต้องมีอยู่ต้องไม่กิน แต่จะว่าทำไร่ไหใช่ทำไร่อย่างที่พวกเข้ามาอยู่นะทำไร่ปลาโรงพงไพ่ต้นใหม่ผู้ผาปาใหม่แหลกและเล่งละไล่ไปหมดกับพว ก, พวกฝีมือของมนุษย์แต่บาดนห้องสิบพอประยุ่งไหวจะเลยมันก็พอถูกขึ้นกันเ้าจะปะยุ่งส่วนใดใ้ให้เกิดประโยชน์แต่ว่าการที่จะปะยุกจุดนี้อีกขกันการนาไปฝาก ฝากใครไปกับกายทันกามันก็กินกินใครมัดหนว่วงนไปอันนี้มันก็ยากอีกคือกันจะทำให้เกอดจังไรให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองที่จะบริสุทธิ์ฝากไปแล้วให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมอันนี้มันก็บางบางข้งก็ถึงจุดหมายปลายทางแต่บางข้างก็ยังพวกเข้าได้ยินได้เห็นนี่นะ เอพอได้เงินมากจักแม่้ในยังเอาไปใส่ลุยช่วยแช่ ท, ทั้งทีเข้าจะเกิดให้ปาถนาไวปฮะไม่เป็นทังสักแต่พอมันพอเอาไปใส่จริงๆมันบมเป็นอย่างที่เข้าตั้งความหวังตั้งความปาถนาอยากให้มันเป็นบางที่บางสิ่งบางอย่างเาข้ากออ่อนอกอ่อนใจเ ข, ขื่นอนพราะว่ า, ามันบอถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเข้าได้ตั้งใจเอาไว้สิ่งเหล่านี้มันก็ บางสิ่งบางอย่างบางครั้งมันก็ได้เสียงคือกันพราะมันเสียงกับไผ่เสียงกับผูมีกิเลสนั่นแหละบางที่เห็นเงื่อนขึ้นมากเลยเห็นสิ่งของขึ้นมากเกิดกิเลสความโลภขึ้นมากนช่ไหมแล้วก็ความโลภความโกรธความหลงราคะโทษสะโมหะอยู่ในจิตในใจของผู้ที่เป็นผูนั่มหรือว่าผูอยู่ในเหตุการณ์หรือว่าผูอยู่ในเหตุการณ์ ในเรื่องนั้น ö, บ่เป็นร้ำพ่อเนะอันนี้ก็นาคิดขึ้นกันมันโมเมนต์นาคิดแต่พวกที่นอนชาวบ้านเนียหลวงพ่อนี่ก็นาคิดขึ้นกันที่เฮ็ดยังหลวงพ่อก็ต้องเบิ้งอีกมองอีกมองแล้วมองอีกเบิ้งแล้วเบิ้งอีกเนี่ยขึ้กันบ่หวาท่านหวาเราหลวงพ่อขึ้นกันก่อนสีว่างจุดใดหนึ่งต้องเบิ้งสัก่อนถึงจุดหมายปลายทางบ่เนี่อันนี้คือกัน ก่อนที่ช่วยเหลือชุ่มชนสังคมหรือ่ผมเ่นเท่าจิตใจมั่นกับวานผลยิ่งหัวชนินไปกับวานไปเลยผลที่ชุดกันนะแต่ยินเสียงที่ออกมาเพราะเป็นทีพ่อใจเท่ากัเสียอกเสียใจไปอีกลายชิทั้งที่จะได้บุญกลับถ้าไม่คิดใจของเท่าเสารมองลงไปอีกเนะสียงโมนีเท่าก็ต้องได้คิดคือกันในะก่อนที่ว่างาก่อนที่สวายเงินก่อนที่จะว่างเงินกับผู้ใดกลุ่มใดคณะใด อมันชัดเจนบอกอย่างหลวงพ่อเคยบอกกับครูบาอาจารย์คือกันอที่ลงกอนนา น, นี่มีงานลงเลี้ยนอยังก็ตามงานราชการก็ตามเขาจะให้หลวงพ่อไปเป็นหัวหน้าหลวงพ่อบอกนะหลวงพ่อบอกว่านี่นะถ้าให้หลวงพ่อไปเป็นหัวห น, าน้าเงินที่จะลงขันเอาตามไม่จริงกอนสิบ ก่อนที่จัดงานขึ้นมานี่อย่างวิทยาลัยพยาบาลจริงๆล่ะต้องมีเงินนะต้องมีเงินเออลงทุนก่อนตลงเงินลงทุนคืออย่างคือขึ้นค่าน้ำค่าไฟค่าเอเอาอาหารเลี่ยงแข ก, กเรื่องคนนี่ยแหละเรื่องน้ำฮะตานในพวกเข้าจะเอาเงินมาจาักใส่มันพวกครูบาอาจารย์ต้องร่วขันกันก่อนได้นักเรียนนักศึกษาต้องร่วขันกันก่อนค็ละหาก็เลยซิบก็บาว่ากัน พ่อได้มากอะไรกันนั่นแต่ใช่แบบประหยัดลุ่งขันแบบประหยัดพ่อได้มาก่ะพี่นอ้องไปใช้ชนเขาลงขันมากกาเนี่ยเขาจิซือ้อรถเงื่อนที่ได้มากของพี่น้องประชาชนต้องให้สิทธิ์ต้องเขารบเขาได้อบอไดจิตเมื่นบอไดจิตไดเงื่อนก่อนนั้นมากแล้วกันนี่แหละเอาขามอล่ำสิ่งเท่านั้นค้าโต๊ะจีนเท่านี้ค่าเหล่าเท่านั้นค้าเบียร์เท่านี้อาบห า, าแล้วเพ้อเพลยังสิ ขาดทุนอีกต่างหากเพราะต่างคนกับต่างตีและข่าเอาเต็มทีของไปของมันมาในพี่น้องประชาชนที่เขาจิช่วยที่มาสื่อลดน้ำเเขานะ่ะเขาได้ยินด้ะนกมีหูหนูมีปีกด้ะเมื่อเขาได้ยินเข้ามาโอ้โตาตาตาตาตาย่ไปหาส่งเสริมก็พวกนี้นะพวกเขาขวายเขาฉลาดนั่นแหละแต่มันมากินพวกเ้าให้พวกเข้าสังเกตคนน บ้าให้พวกข้าราชาการทั้งหลายพวกครูทั้งหลายพวกนั้นทั้งหลายออกไปตลาดไปขอเขาไปหึงขอให้เช่าตลาดเขามาซอยเช่าตลายเขาเราเค็ดพ่อไปเนี่ยพ่อปันกินหมากก็ยังมัเค็ดแข่าปนนั่นแหละกันออไปเค็ดนําพวกเข้าทัา้งหลายบ้านให้พวกเ ข, าเข้าเค็ดทั้งหลายเอาว่ามีทางไปออกกุบาออกนาบ้านเอาลงปูลงตาออกหนายเอาลงพ่อออกหนาบ้านให้พวกเขาเขามา เพราะนั้นหลวงพ่อออกหนาสู่เจ้าจะเห็ดแป็บนั้นนะไอ้คันมียังเอ้หล่ต้องใจมากตามมีตามเกิดเราจะไปใช้เงืนของพี่น้องประชาชนเขาที่เขามาทําบุญเท่าไหร่มีเท่าไหร่ต้องชัดเจนต้องไปตามเป้าตามหมายแต่เงืนของพวกเข้าที่จะเก็บมา่านใ่เก็บจากพี่น้องประชาชนนี่ยเงื่อนกองกลางกว่ากันไปแต่จะไปใช้ยิ่ยชุยแฉกจะไปใช้มาก พวกเข่าพวกเขาทั้งหลายคืดนะขันผุทธได้จะทางานกับหลวงพอ่อขันพุทํางานกับหลวงพอนะ่อเนี่ยไปกินพี่น้องประชาชนชนขึ้นมาเมือ่อใดก็เมื่อ น, นั้นแหละขันหลวงพ่อหูนะบ่นะมากใก่ก็แล้วกันนะเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายพวกข้าราชการทั้งหลายพี่น้องประชาชนลูกหลานทั้งหลายนะฟังเอาไว้เนี่ยนหะลวงพ่อเตือนเลยก่อนหลวงพ่อจะย่างกลายเข้าไปในในวงการใดหลวงพ่อจะบอก บอกเลยว่าเราไปหลวงพ่อได้ยินมา่งจังสันอีหรีเนีพอได้ยินมันเกิดบอกว่าทันว่าเล่มันก็เค็ดขึ้นกันว่าต่ตัวเองฉลา ด, ดเนี่ยที่แรกพ่อออกไปเลยชาวบ้านเขาได้ยินนี่ยโอ้ยพวกเขาเอาเงินไปให้เพื่อจะให้เพื่อเป็นการศึกษาสื่อสมุตดตินสอให้เด็กนักเรียนการกีฬาให้เด็กนักเรียนแต่ที่ไหนได้เพราะเป็นค่าเหล่าค่าเบี้ยค่ามอลลั่มสิ่งค่าโดนตีที่คู่จางมาก ว่ถึงหดนักเรี้ยงจะเพื่อเยยังสิขาดทุนหนึ่งต่างหากเช่าเช่าเช่าเช่าาเนยไปหาหุ่งนําพวกนี่ฮะเออชาวบ้านกขาวาจังสั่นได้กว่าเนี่ยตัวเองพระท่านหูเนาะตัวสี่หูนุ่นจัดงานเดี่เข้านานก็ซอไปหาเขาเละเขาเลยเชิหันล้างหายเออเนี่ยแหละกายังพระท่นหูจัดอีกว่าเป็นอยังเขายังบอกให้ความร่มมือก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละคือความประพฤติของพวกเฮา ประเดนขอฟังไว้นะพี่น้องลูกหลานคณะจัตว า, า, าญาติโน้มผู้บายการข้าราชการทุกหน่วยทุกเรานะนี่แหละหลวงพ่อได้บอกฟังฟังดนหะลวงพ่อได้บอกอย่างบอาตรงเลอตรงมาแล้วไบอกให้ได้คิดได้ตรงนนเหมือนกันอะมันแมนว่ดที่หลวงพ่อบอ่าวบ้านพอหลวงพ่อบ่าจึงไดที่มันมนัแมนทูกพ่อจ่งบอกให้ฟังเราไปบอกบอกว่ามันแมนแมนหลดตอาละพ่อนะ้อมานี่นะหลงโมทนาไอ้พ่อ